ถ้าเขารู้จักว่าอ๋อนี่มันเหมือนบ้านเรานะเราอยู่ให้เหมือนบ้านเราชะยืดแบบบ้านเราเขาก็มีความสุขแม้ในเรือนจำแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเรือนจำในตึกใหญ่โตอยู่สูงแต่ถ้าจิตใจเขามีแต่ความเครียดความทุกข์ความเศร้าหมองสู้คุณอยู่ในเรือนจำไม่ได้แล้วใครจะ แ, กแลกละคะเขาบอกว่าถ้าที่เราคับแคบคให้นึกถึงเรือนจา